เจริญพรท่านพุทธบ ร, ริษัทสาธุชนผู้มีจิตฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวัสเป็นวันฟังธรรมพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาคือคำสอนที่ เกิดมาจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงคือผู้ที่ตัดสุรุษทำพระพุทธเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมที่พระพุทธองค์ทรงนำมาสั่งสอนนั้นเป็นธรรมที่เป็นของจริงเป็นธรรมที่ไม่ขึ้นกับการกับเวลาเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติสามารถพิสูจน์ได้ เป็นธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้คำว่ า, าพุทธะแปลว่าเป็นผู้รู้เป็นพระอารหันต์คือเป็นผู้ที่สิ้นกิเลสปราศจากความโลภความโกรธความโง่ การประกาศพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงประกาศออกมาจากพระไทยที่บริสุทธิ์ไม่มีความปรารถนาความต้องการอา m i t สินจา้าแต่อย่างใดไม่หวังผลจากการประกาศพระธรรมคำสอนจากผู้ใดเลยเพราะในพระไทยนั้นทรงเต็มเปี่ยมด้วยความสุขคือบรมสุขแล้ว การ ส, สรัสอนจึง ส, สัสอนเพราะความกรุณาทรงเห็นว่าสัตว์โลกยังเป็นผู้มืดบอดอยู่ยังถูกอำนาจของโมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้จริจรงครอบงำจิตใจหลอกลวงให้สัตว์โลกต้องเวียนว่ายตายเกิดในกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายแบบไม่รู้จักจบ จ, บจากสิน้น ถ้าไม่ได้รับพระธรรมคำสอนไปแล้วจะไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยพระพุทธพระพุทธองค์ก็ทรงเคยเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วและในทุกภพทุกชาตินั้นก็ต้องประสบกับทุกใดทุกทุกทุกภพทุกทุกชาติเพราะคาว่าพพชาตินี้ก็คือคำว่าทุกนั่นเอง เพราพภพชาตินั้นย่อมมีการเกิดขึ้นมีการเจริญมีการตั้งอยู่แล้วก็ต้องมีการดับไปเวลาที่ต้องดับไปนั้นย่อมนำมาซึ่งความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจให้กับสัตว์โลกอย่างแน่นอนครับพระพุทธเจ้าทรงเห็นทุกอันนี้แล้วและเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงปฏิบัติ ธ, ธรรมจนได้บรรลุธรรม ทำให้พระ อ, องค์นั้นหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วก็ทรงมีพระกรุณามีความสงสารที่อยากที่จะช่วยเหลือให้สัตว์โลกผู้ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด น, นั้นได้มีโอกาสได้นําตนให้พ้นไปจากกองทุกข์นพระพุทธองค์จึงประกาศพระธรรมคำสอนให้กับ ผู้ที่มีความสนใจผู้ใดเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ศรัทธานำไปประพฤติปฏิบัติย่อมสามารถยกตนให้พ้นจากกองทุกได้พระพุทธเจ้าจึงเป็นพระศาสดาคือเป็นครูเป็นอาจารย์พระพุทธองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่จะเสกจะเป่าจะบรรดาให้เราหลุดพ้นจากกองทุก์ ให้เราสมกับความปรารถนาในสิ่งต่างๆที่เราต้องการได้การที่เรากราบไหว้พระพุทธเจ้านั้นเราไม่ได้กราบไหว้เพื่อบนบารขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากพระพุทธเจ้าเรากราบพระพุทธเจ้าเนื่องจากความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันใหญ่หลวงที่ทรงมีต่อสัตวโลกทั้งหลายและน้อมน้ำลึกถึงวิถีทางอันดีงาม ที่ทรงได้ปฏิบัติและได้นำมาเอยแป่ให้กับเราพวกเรานั้นเปรียบเหมือนกับนักศึกษานักเรียนผู้ที่มีความเชื่อในคําสอนของพระบรมศาสดาคือพระพุทธเจ้าแล้วพยายามที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความเชื่อมั่น ด้วยความอุตสาหะวิริยะด้วยความด้วยสติด้วยปัญญาเราเชื่อว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นแม้จะได้ประกาศมาถึงเวลาเป็นเวลาสองพห้าร้อกว่าปีแล้วพระธรรมคำสอนอันนี้ก็ยังมีความถูกต้องมีประสิทธิภาพสามารถ ยังผลให้กับผู้ปฏิบัติได้คือพระธรรมนี้ไม่ได้เสื่อมไปตามเวลาเหมือนกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือเป็นบุคคลย่อมต้องเสื่อมไปตามการตามเวลาวัตถุต่างๆเมื่อเราผลิตขึ้นมาเราก่อสร้างขึ้นมาทิ้งไว้สักระยะหนึ่งก็ต้องชำรุดทุดโทรมเสื่อมสลายหมดไป ร่างกายของคนเราของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีการเจริญเติบโตแล้วก็ตามมาด้วยความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ความตายนี่เป็นลักษณะของสิ่งต่างๆในโลกนี้แต่พระธรรมคาสอนของพระพุทเจ้านั้นไม่ได้เป็นเหมือนกับสิ่งเหล่านี้ พระธรรมคาสอนของพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่คงเส้นคงวาทั้งเหตุและผลผู้ใดนำปฏิบัติตามเหตุย่อมได้รับผลอย่างแน่นอนไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้และประกาศพระธรรมคาสอนนี้หรือไม่ก็ต่างก็พระธรรมพระธรรมนี้ก็ยังเป็นพระธรรมอยู่ พระพุทธเจ้านั้นเป็นเพียงผู้ที่ได้มาค้นคว้าศึกษาจนได้พบพระธรรมอันประเสริญนี้แล้วก็นําพระธรรมประเสริฐนี้มาถ่ายทอดให้กับผู้อื่นผู้ใดมีความศรัทธาแล้วนําไปปฏิบัติย่อมได้รับผลดังที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสราวกทั้งหลายในอดีตได้รับมา ไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาในสมัยพุทธกาลมีผู้บรรลุธรรมเป็นมีผู้พ้นทุกข์ได้ฉันใดในสมัยปัจจุบันนี้ผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็จะสามารถยกตนให้พ้นจากกองทุกข์ได้เหมือนกันไม่ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าหลังจากประวิธิพานไปแล้วก็จะนําเอาพระธรรมติดตัวไปด้วย พระธรรมนี้เป็นสมบัติคู่กับพระศาสนาเป็นสมบัติคู่กับโลกนี้ขึ้นอยู่กับผู้ฟังว่าจะมีความศรัท ธ, ธามีความเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนเราจะมีความอุาหะวิรยิยะมีความีขันติความอดทนที่จะปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองถ้าปฏิบัติได และปฏิบัติถูกต้องผลย่อมปรากฏขึ้นมาคือความความทุกข์ที่จะลดน้อยลงไปตามลำดับแห่งการปฏิบัติความสุขที่จะได้รับก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดก็จะมีแต่ความสุขลน้นลนอยู่ภายในใจความทุกข์นั้นจะไม่มีเหลือหลงเหลืออยู่เลยดัยงนั้น ผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจึงควรนําพระธรรมคําสอนนี้มาปฏิบัติอย่าไปผัดวันประกัศพรุง่งบางท่านฟังธรรมคําสอนของพระเจ้าที่สอนให้กระทําความดีละความชั่วชําระจิตใจให้สะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลงก็มาผัดวันประกันพรุง่งเช่นบางท่านก็บอกว่า ขอรอให้พระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้ธรรมก่อนตอนนี้ขอเพียงแต่สะสมบุบารมีไปเช่นทำบุญให้ทานไปพังพางก่อนยังไม่อยากจะรักษาศีลยังไม่อยากจะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญวิปัสสนาเพราะไม่คิดว่าจะสามารถ บรรลุทำได้ในภพนิชานะในในภพนี้ชาตินี้แต่จะบรรลุทำได้ก็ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่คือพระสีอานมาตัศลรรมแล้วได้รับการได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยโตแล้วจึงจะสามารถบรรลุรมได้ความคิดอย่างนี้เป็นความคิดที่ผิดเป็นความคิดที่เกิดจาก โมห oh ะความหลงเป็นความคิดที่เกิดจากความอ่อนแอเกิดจากความที่ยังมีความยึดติดอยู่ในเรื่องของความสุขทางโลกอยู่คือการมาสุขโดยคิดว่าการมาสุขนี้เป็นความสุขที่ประเสริฐแต่ความจริงแล้วในสายตาของผู้รู้เช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาโกทั้งหลาย จะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงความสุขที่ประเสริฐนั้นไม่ใช่เป็นกา ร, รมาสุขแต่เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบเรียกว่าสันติสุขเป็นความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจรารวิปัสสนาเพื่อลดละเพื่อตัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงให้หมดออกไปจากใจทั้ง ตราใดถ้าใจยังไม่ได้ตัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจต่อให้มีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะมากน้อยเพียงไรก็ตามความสุขหลบบนั้นก็จะเป็นความสุขชั่วประเดียวประดาวชั่วระยะหนึ่งชั่วในขณะที่ได้เสกเท่า น, นั้นเองหลังจากนั้นแล้วก็จะมีความอยากที่จะต้องไป สัมผัสไปเสพเพิ่มขึ้นอีกหลังที่เราได้เสพสัมผัสกันมาตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่เคยถึงเมืองอิ่นเมืองพอยังอยากดูรูปยังอยากฟังเสียงยังอยากนิ้มลดยังอยากนมกลิ่นยังอยากสัมผัสผลทพะชนิดต่างๆนี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นความหลงทําให้เราคิดว่า การได้เสกกรรมาสุขแล้วนั้นจะมีความสุขแต่หาหรูไ้ไหมว่าตนเองนั้นกลายเป็นทาตของของการมเสียแล้วคือถ้าวันใดไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้สัมผัสการมราดในขณะที่เกิดตัณหาคือราคะตัณหาหรือกรรมราคะแล้วในวันนั้นก็จะมีความทุกข์มีความไม่สบายใจ ต้องดิ้นรนออกไปหารูปเสียงกินดรดโพธิภพที่ถูกอถูกใจมาเสพและเมื่อได้เสพแล้วก็จะมีความสุขอยู่ระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็เกิดความอยากที่จะเสพขึ้นมาใหม่อีกก็เลยกลายเป็นวงจรเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีที่จบสิ้นแม้ชีวิตนี้จะหาไม่แล้วตา ดวงจิตผู้ที่ยังสะสมความความอยากในกลามนี้อยู่ <c oughs> ก็จะไปแสวงหากามรถในภพหน้าชาติหน้าต่อไป <c oughs> ก็ต้องไปเกิดในกลามภูคือที่อยู่ของสัตว์โลกที่ยังเสพกลามอยู่ตั้งแต่ชั้นเทพลงมาสู่ชั้นมนุษย์ สู่ชั้นเดรัจฉานชั้นเปรตชั้นปสัสสากายชั้นสัตว์นรกนี่คือที่อยู่ของสัตว์โลกที่ยังมีความผูกพันมีความต้องการในการมรดอยู่ถ้าตราบใดไม่ได้ล่นละไม่ได้ตัดความอยากในการมรดนี้แล้วก็วยังต้องเงวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพเหล่านี้ จะไปพบใดก็ขึ้นอยู่กับวิธีการแสวงหากามมัสุขถ้าแสวงหาด้วยความถูกต้องคือด้วยความสุจริตเช่นไม่ได้แสวงหาด้วยการฆ่าสัตว์ตัชีวิตด้วยการลักชรัพด้วยการประพฤติผิดประเวณีด้วยการโกหกหลอกลวงด้วยการเสพสุรายาเมาถ้า ถ้าหาด้วยความสุดจริญแบบนี้ถึงแม้หลังจากที่ตายไปก็จะไปเกิดในสุคติคือไปจะเกิดมนชั้นสวรรค์ของเทพหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าแสวงหากรา ม, มาสุดโดวยวิธีที่ไม่ชอบคือด้วยทุจริตวิธีเช่นด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยการลักทัพด้วยการ ประพฤติผิดประเวณีด้วยการเสพสุรายาเมาด้วยการโกหกหลอกลวงถ้าประพฤติดังวิธีนี้แล้วหาความสุขด้วยวิธีนี้เมื่อตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายทั้งสนั่นก็คือพบของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายและสัตว์นรกนี่ก็คือความหลงผิดนั่นเอง หลงผิดที่เห็นว่าความสุขนั้นอยู่ที่การได้เสพสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภัณที่ถูกถูกใจจึงต้องเป็นจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในการมาพบดีไม่รู้จักจบถางสิน้นแต่ถ้าได้มาเจอพระพุทธศาสนาแล้วได้ยินได้ฟังถึงความสุขที่แท้จริงความสุขที่สะอาด บริสุทธิ์ความสุขที่ไม่ต้องมีอะไรมาเป็นเครื่องให้ความสุขเป็นความสุขที่มีอยู่ในใจของตนเองแล้วแล้วได้นําไปปฏิบัติ mm. ก็จะค่อยๆเริ่มห่างเหินจากความอยากในทางการมสุขเพราะความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจนั้นเป็นความสุขที่ เลิศ ก, กว่าดีกว่าเพราะว่าเป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งใดภายนอกไม่ต้องอาศัยบุคคล น, นั้นมาให้ความสุขไม่ต้องอาศัยสิ่งนั้นมาให้ความสุขเพียงแต่เราสแสวงหาที่สงบมุมสงบที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วกําหนดจิตของเราไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ให้จิตอยู่กับธรรมะบทใดบทหนึง่งเช่นคำว่าพุโทโธพุธโทโธหรือบทสวดมนต์บทใดบทหนึง่งหรือจะกำหนดดูลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าเวลาหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกควบคุ่จิตด้วยสติไม่ให้จิตแวบออกไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ เรื่องราที่เกิดขึ้นแล้วในอนดีตก็ดีเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตก็ดีเรื่องเขาเรื่องเราเรื่องดีเรื่องชั่วทั้งหลายในขณะนั้นไม่ให้ไป ค, คิดเลยให้อยู่กับธรรมบทที่ตนเองได้กําหนดไว้ให้จิตมีสติรู้อยู่เช่นถ้าจะบริกรรมคาว่าพุทธโธก็ให้มีคาว่าพุทธโธเพียงคาเดียวอยู่ในใจ บริกรรมไปโดยไม่ต้องออกเสียงพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าสามารถควบคุมจิตให้อยู่กับพุทโธได้แล้วไม่ช้าก็เร็วจิตก็จะค่อยๆสงบตัวลงและรวมลงเป็นสมาธิคือเป็นเอกตาลงเป็นหนึ่งเหลือแต่สักแต่ว่ารู้ในขณะนั้นจิตจะไม่รับรู้เรื่องราวตา่างๆ ที่เข้ามาทางตาหูจมูกรินกายจิตจะไม่สนใจถึงแม้จะไม่ไม่ขาดจากอารมณ์เหล่านี้แต่ในขณะนั้นจิตจะไม่สนใจจิตจะมีความนิ่งมีความสุขอยู่กับความสงบนี่แหละคือความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอานารตสาวตทั้งหลายทรงชี้สอนให้พวกเรา ได้ไปถึงกันเพราะเป็นความสุขที่มีอยู่กับตัวเราอยู่ตลอดเวลาเป็นความสุขที่เราสามารถรักษาไว้ได้ให้อยู่กับเราไปตลอดอนันตาการเลยทีเดียวถ้าเรามีความขยันที่จะปฏิบัติการที่เราจะรักษาจิตให้มีความสุขได้ นั้นในเบื้องต้นเราก็ต้องมีสติคือสตินี้จะเป็นตัวคอยควบคุมจิตไม่ให้คิดไปในเรื่องราวต่างๆที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพถ้าจะคิดก็คิดแต่เรื่องที่จำเป็นเช่นวันนี้จะต้องไปทำอะไรบ้างเมื่อรู้แล้วก็หยุดคิดแล้วก็หันเอาจิตกลับมาให้ตั้งอยู่กับปัจจุบัน คือให้อยู่กับร่างกายให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายร่างกายจะเคลื่อนไหวในอิรยาบดาดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวนั้นเฝ้าดูกายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เฝ้าดูใจความคิดปรุงของใจว่ากำลังคิดอะไรอยู่ถ้ากำลังคิดเรื่องราวไม่เข้าเรื่องก็หยุดด้วยการ กำหนดให้ใจอยู่กับอารมณ์ธรรมะที่เราเคยใช้อยู่ถ้าเราเคยใช้การบริกรรมพุทธโธอยู่ก็ขอให้เราบริกรรมพุทธโธภายในใจไม่ว่าเราจะอยู่ในอิริยาบนใดจะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนจะทําอะไรก็ตามถ้าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ความคิดก็ขอให้เรา ให้ให้ให้จิตบริกรรมอยู่กับคําว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าทําอย่างนี้แล้วจิตจะไม่ทุกข์สร้างจิตจะไม่สร้างอารมณ์ต่างๆขึ้นมาความทุกข์หรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจนั้นก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งของจิตนั่นเองถ้าเราปล่อยให้จิตเราคิดไปเรื่อยๆเห็นอะไรมาสัมผัสก็คิดมันก็จะทําให้จิตเรานั้นแกว่งไปแกว่งมา เห็นสิ่งใดที่ไม่ถูกอกถูกใจก็เกิดความไม่พอใจเห็นสิ่งใดที่ถูกอกถูกใจก็เกิดความยินดีกเกิดความอยากก็เกิดความาดิ้นทุรนทุรายเพื่อที่จะหามาให้ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการและเมื่อได้มาแล้วก็ต้องดิ้นทรนต่อสู้ เพื่อรักษาสิ่งที่ตัวเองได้มาจิตเลยไม่มีโอกาสที่ได้สงบนิ่งเพราะจะต้องคอยมาเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสผ่านทวารทั้งห้าเข้ามาสู่ใจแต่ถ้าจิตมีสติแล้วเวลามีอะไรเข้ามาสัมผัสเช่นรูปเข้ามาสัมผัสกับตาเสียงก็มาสัมผัสกับหู จิตมีสติรู้อยู่ก็เพียงแต่รับรู้ว่าเป็นรูปเป็นเสียงหรือว่าเป็นของไม่เที่ยงก็คือเมื่อเข้ามาสัมผัสแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเสียงมากระทบกับหูแล้วก็ผ่านไปไม่จําเป็นที่จะต้องให้มีอารมณ์ตามมาเสียงจะดีหรือจะชั่วนั้นไม่ได้อยู่ที่เสียงนั้นๆแต่อยู่ที่ใจต่างหาผู้ที่ไปให้ความหมายกับเสียงนั้น เสียงันเดียวกันสำหรับคนคนหนึ่งก็รู้สึกว่าไผ่เราะเพาะพิงแต่กับอีกคนหนึ่งก็กลับกลายเป็นเหมือนกับบีดมีดบาดหัวใจเช่นพ่อแม่พูดชมลูกคนหนึ่งว่าลูกคนนี้เป็นคนดีส่วนลูกอีกคนหนึ่งได้ยินเฉยๆแต่ไม่ได้รับคำชมก็เกิดความรู้สึกน้อย อ, อกน้อยใจคนที่ได้รับคำชมก็เกิดความดี อ, อกดีใจ ทั้งที่ก็เป็นเสียงของคนคนเดียวกันเรื่องเดียวกันแต่คนสองคนเมื่อฟังแล้วกลับมีอารมณ์มีปฏิกิริยาแตกต่างกันไปนั่นก็เป็นเพราะว่าฟังโดยไม่มีสติฟังโดยไม่รู้ไม่มีปัญญานั่นเองฟังด้วยอารมณ์ฟังด้วยความหลงฟังด้วยอัตตาตัวตนฟังว่าเขาชมคนนั้น เขาไม่ชมเราเมื่อเกิดเมือ่อเมื่อไม่ชมเราเราก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเสีย อ, อกเสียใจขึ้นมาแต่ถ้าฟังด้วยสติเช่นมันก็เป็นเสียงเท่านั้นเองเสียงออกมาจากปากคนมันจะมาทำให้เราวิเศษหรือทำให้เราเลวได้อย่างไรเพราะความดีความเชื่อนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ปากของคนอื่นเขา แต่มันอยู่ที่การกระทำของเราถ้าเรากระทำความดีถึงแม้จะไม่มีใครมาชมเราเราก็ยังดีอยู่อย่างนั้นแหละถ้าเรากระทำความชั่วถึงแม้จะมีใครมายกย่องสรรเสริญเราเราก็ไม่ได้ดีตามคำยกย่องสรรเสริญของเขาเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ใจของเรากลับดีอกดีใจลืมไปว่าเราเพิ่งไปทำความชั่วมาหยกหย นี่ก็เป็นลักษณะของจิตที่ไม่มีสติควบคุมดูแลนั่นเองปล่อยให้ไหลไปตามอารมณ์อยากอารมณ์ชอบอารมณ์รักอารมณ์ชังทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังอะไรที่ถูกอกถูกใจก็เกิดความยินดีดีอกดีใจเมื่อได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่ถูกอกถูกใจก็เกิดความเสียใจ เกิดความอึดอัดใจไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าได้ศึกษาธรรมแล้วปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนแล้วรําได้รับรองได้ว่าต่อไปเวลาได้ยินได้ฟังอะไรจะเป็นอุเบกขาคือจะวางเฉยทั้งสองด้านไม่ว่าจะเป็นคำชมก็ดีหรือเป็นคำติ ก, ก็ดีก็เพราะว่าผู้ฟังนั้นฟังด้วยสติ ฟังด้วยปัญญารู้ว่าเสียงนั้นก็เป็นเพียงแต่เสียงเท่าทนั้นเองถ้าไม่เอาความหมายนั้นมามาคิดมาแบกมายึดมาติดแล้วแล้วก็เสียงนั้นเมื่อพูดไปแล้วมันก็ผ่านไปเมื่อเราไม่เอาเข้ามายึดว่าเป็นเป็นเรื่องของเราเสียอย่างมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเช่นเวลาใครเขาพูดคำหยาบหรือคำพลุสวะด่าใคร เราอยู่ในที่นั้นด้วยถ้าเราฟังแล้วเราไม่ได้คิดว่าเขาดา่าเราว่าเราใจของเราก็ไม่มีความรู้สึกอะไรแต่ถ้าเราไปคิดว่าเขาดา่าเราว่าเราใจของเราก็จะต้องเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาในทางหลักธรรมแล้วพระพุทธองค์ทรงสอนให้ฟังเฉยๆฟังฟังเพื่อรู้อย่าฟังเพื่อรับ คืออย่าไปเอาอัตตาตัวตนของเราไปรับแต่เอาใจผู้รู้ไปรับใจนี้เป็นผู้รู้ใจไม่ใช่ตัวตนรู้เฉยๆรู้แล้วก็ปล่อยวางรู้ว่ามีเสียงปรากฏขึ้นมาแล้วเสียงนั้นก็ดับไปแล้วก็ผ่านไปนี่ก็คือรู้แบบธรรมะรู้ด้วยปัญญาถ้ารู้ด้วยความหลงก็รู้ด้วยตัวตนตัวตนออกไปรับ ว่าเขากำลังชมเราก็เกิดเปเกิดอาการดี อ, อกดีใจขึ้นมาถ้าเขาด่าเราว่าเราก็เกิดอาการโมโหโทรโขึ้นมาเพราะนี่เป็นการฟังแบบโมหะความหลงนั่นเองเอาตัวตวนออกไปรับแล้วเมื่อเอาตัวตวนออกไปรับแล้วผลที่ตามมาคืออะไรก็คือความทุกข์ใจนั่นเอง ความไม่สบายออไม่สบายใจแต่ถ้าไม่เอาตัวตนออกไปรับเอาธรรมะออกไปรับคือเอาความจริงออกไปรับคือจิตของเราหรือใจของเรานี้ไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวรู้อย่างเดียวมีหน้าที่รับรู้ใครก็พูดอะไรก็ฟังไปรับรู้ไปเหมือนกับไมโครโฟน น, นั่นลี้จะพูดอะไรไมันก็รับเสียงเข้าไปแล้วก็ส่งต่อไปให้เครื่องขยาย เสียงออกมาตามลำโพงตัวไมโครโฟนนี้มันไม่เคยบ่นไม่เคยว่าอะไรเลยว่าจะพูดดีหรือไม่ดีอย่างไรมันรับไปหมดรับแล้วก็ปล่อยวางรับแล้วก็ส่งต่อไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วมันก็หมดไปเสียงต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังก็เป็นในลักษณะแบบนั้นเสียงใครก็จะพูดอะไรอย่างไรเขาพูดแล้วเข้าหูเราแล้วใจเรารับดูแล้วมันก็ผ่านไปแล้ว ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็ตัดมันเสียอย่าเอาเข้ามาแบกมามาหามมาว่าเขาชมเราหรือเขาติเรารู้ว่าเป็นเสียงของเขาที่ปรกากฏขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเท่านี้ก็จบถ้าจะฟังถึงเรื่องราวต่างๆที่เขาพูดก็ฟังด้วยเหตุด้วยผลฟังด้วยปัญญาว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง เท่านั้นเองถ้าเป็นความจริงและเป็นประโยชน์เราก็นำเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างที่เราฟังทำในวันนี้เราฟังแล้วเราก็ใช้ปัญญาเอามาแยกแยะว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี้เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์กับเราถ้าไม่เป็นประโยชน์กับเราฟังเข้าหูซ้ายแล้วก็ปล่อยให้มันออกไปหูขวามันก็จบกันถ้ามันเป็นประโยชน์เราก็เอามาคิดเอามาไต่ตรอง เอามาปฏิบัติต่อไปมันก็จะเป็นประโยชน์กับเรานี่ก็คือลักษณะของการฟังด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติด้วยปัญญาด้วยธรรมะไม่ได้ฟังด้วยอารมณ์ถ้าฟังด้วยอารมณ์ถึงแม้สิ่งที่เขาพูดนะั้นจะเป็นประโยชน์จะเป็นสิ่งที่ดีเป็นความจริงแต่มันไปกระทบกับอัตาตัวตนเช่นเขาตำหนิเราว่าเราเป็นคนไม่ดีเพราะว่า เราเป็นคนเกียจคร้านเราเป็นคนชอบเสพสุรายาเมาเราเป็นคนชอบเล่นการพนันพอเราฟังแล้วถ้าเราเอาอัตราตัวตนออกไปรับอ็รับรองได้ว่าเราจะต้องไม่พอใจทันทีที่เขามาว่าเราเป็นคนเกียจค้านเป็นคนเล่นการพนันเป็นคนเสพสุรายาเมาแต่เรากลับไม่คิดว่าเขาเป็นคนเตือนเราเป็นคนบทชี้ขุนทรพิษให้กับเรา ชี้ถึงความบกพร่องของเราถ้าเราเห็นว่ามันเป็นความจริงแล้วเรานำไปแก้ไขดัดแปลงเปลี่ยนจากความเกียดแค้นเป็นความขยันเลิกลดละเลิกเสษสุรายาเราเลิกเล่นการพ น, นัน